ตัวกฎหรือตัวสภาวะข้อที่สองตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในหลักปฏิจจสมุปบาทพุทธพจน์ที่เป็นตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นแยกได้เป็นสองประเภทคือที่แสดงเป็นกลางๆงไม่ระบุชื่อหัวข้อปัจจัยอย่างหนึ่งกับที่แสดงเจาะจงระบุชื่อหัวข้อปัจจัยต่างๆ ซึ่งสืบทอดต่อกันโดยลำดับเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างแรกมักตรัสไว้นำหน้าอย่างหลังเป็นทำนองหลักกลางหรือหลักทั่วไปส่วนอย่างหลังพบได้มากมายและส่วนมากตรัสไว้ล้วนโดยไม่มีอย่างแรกอยู่ด้วยอย่างหลังนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นหลักแจงหัวข้อหรือขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดให้เห็นหรือเป็นหลักประยุกต์เพราะนำเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงให้เห็นความหมายตามหลักทั่วไปนั้นอันหนึ่งหลักทั้งสองอย่างนั้นแต่ละอย่างแบ่งออกได้เป็นสองท่อนคือท่อนแรกแสดงกระบวนการเกิดท่อนหลังแสดงกระบวนการดับเป็นการแสดงให้เห็นแบบความสัมพันธ์สองนัยยะ ท่อนแรกที่แสดงกระบวนการเกิดเรียกว่าสมุทรยาวาระและถือว่าเป็นการแสดงตามลำดับจึงเรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทเทียบในอริยสัจเป็นข้อที่สองคือทุกขดสมุ ท, ทยัยท่อนหลังที่แสดงกระบวนการดับเรียกว่านิโรทาวาระ และถือว่าเป็นการแสดงย้อนลำดับจึงเรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุบาทเทียบในหลักอริยสัจเป็นข้อที่สามคือทุกขานิโรธแสดงตัวบททั้งสองอย่างดังนี้ในที่นี้ท่านมีบาลีประกอบทุกบทนะครับขออนุญาตอ่านเฉพาะภาษาไทยหลักที่หนึ่งหลักทั่วไป เมื่อนี้มีนี้จึงมีเพราะนี้เกิดขึ้นนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อนี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีเพราะนี้ดับไปนี้ก็ดับพิจารณาตามรูปพยัญชนะหลักทั่วไปนี้เข้ากับชื่อที่เรียกว่าอิทัปปัจยตาหลักทั่วไปนี้ บางครั้งท่านขยายความโดยแสดงเพียงปัจจัยเดียวก็มีเรียกว่าเอกังคะปฏิจจสมุปบาทคือปฏิจจสมุปบาทแบบหัวข้อเดียวหลักที่สองหลักแจงหัวข้อหรือหลักประยุกเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพรานะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ามครวญทุกโทมนัตและความขับแค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้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 ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการชนีดขอให้สังเกตว่าคำสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้บ่งว่าเป็นกระบวนการเกิดขึ้นและดับไปแห่งความทุกข์ข้อความเช่นนี้เป็นคำสรุปส่วนมากของหลักปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏในที่ต่างๆแต่บางแห่งสรุปว่า เป็นการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลกก็มีโดยใช้คำบาลีว่าอยังโขพิกเวโลกัสสะสมุทธโยนี้แหลภิกษุกทั้งหลายคือความเกิดขึ้นแห่งโลกอยังโขพิกเวโลกัสสะอัตถังขโมนี้แหลภิกษุททั้งหลายคือความดับสลายแห่งโลกหรือว่า เอวามายังโลโกโสมุททยติโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เอวามายังโลโกโนิรุตติโลกนี้ย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้อย่างไรก็ดีว่าด้วยความหมายที่แท้จริงแล้วคำสรุปทั้งสองอย่างนี้ได้ความตรงกันและเท่ากันปัญหาอยู่ที่ความหมายของศัพท์ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปอันหนึ่งหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ในคำพีที่เป็นส่วนท้ายของพระไตรปิฎกเริ่มปรากฏคำเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปัจจยาการแปลว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันและต่อมาในอั ธ, ธกถาดีกานิยมใช้คำว่าปัจจยาการนั้นมากขึ้น จนปรากฏบ่อยครั้งกว่าคำว่าอิทัิปัจจยตาในหลักที่แสดงเต็มรูปอย่างในที่นี้องค์ประกอบทั้งหมดมีจำนวน12หัวข้อองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยเนื่องอาศัยสืบต่อกันไปไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่มีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุดหรือตัวการต้นเดิมเริ่มแรกคือมูลการหรือ the first cause การยกเอาอาวิชชาตั้งเป็นข้อที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่าอาวิชชาเป็นเหตุเบื้องแรกหรือเป็นมูลการของสิ่งทั้งหลายแต่เป็นการตั้งหัวข้อเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโดยตัดตอนยกเอาองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดขึ้นมาตั้งเป็นลำดับที่หนึ่งแล้วก็นับต่อไปตามลำดับ บางคราวท่านป้องกันมิให้มีการยึดอววิชาเป็นมูลการโดยแสดงความเกิดของอวิชาว่าอวิชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชาดับเพราะอาสวะดับบาลีว่าอาสวะสมุททยาอวิชาสมุทโยอาสวะนิโรธาอวิชานิโรโทองประกอบสิองข้อของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับตั้งแต่อวิชชาถึงชรามรณะเท่านั้นคืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะส่วนโสกะปริเทวะทุกโทมนั์อุปาญาตความรับแค้นใจเป็นเพียงตัวพลอยผสมเกิดแก่ผู้มีอสวกิเลตเมื่อมีชรามรณะแล้ว เป็นตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนมวงจรต่อไปอีกในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์พระพุทธเจ้ามีได้ตรัสตามลําดับและเต็มรูปอย่างนี้คือชักต้นไปหาปลายเสมอไปการแสดงในลําดับและเต็มรูปเช่นนี้มักตรัสในกรณีที่เป็นการแสดงตัวหลักแต่ในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยข้อปัญหามรัดในรูปย้อนลำดับคือชักปลายมหาต้นเป็นชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาในทางปฏิบัติเช่นนี้ การแสดงอา จ, จเริ่มต้นที่องค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดในระหว่างก็ได้สุดแต่องค์ประกอบข้อไหนจะกลายเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเช่นอาจจะเริ่มที่ชาติที่เวทนาที่วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลำดับจนถึงชรามรณะคือชักกลางไปหาปลายหรือสืบสาวย้อนลาดับลงไปจนถึงอวิชชา หรือชักกลางมาหาต้นก็ได้หรืออาจเริ่มต้นด้วยเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อใดชื่อหนึ่งในส2องหัวข้อนี้แล้วชักเข้ามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได้โดยในยะที่กล่าวมาการแสดงปฏิจจสมุปบาทจึงไม่จำเป็นต้องครบ12หัวข้ อ, อย่างข้างต้นและไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป ข้อควรทราบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นปัจจัยแก่กันขององค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่มีความหมายตรงกับคาว่าเหตุทีเดียวเช่นปัจจัยให้ต้นไม้งอกขึ้นไม่ใช่หมายเพียงมเมล็ดพืชแต่หมายถึงดินน้ำปุ๋ยอากาศอุณหภูมิเป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยแต่ละอย่างและการเป็นปัจจัยแก่กันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จาต้องเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง โดยกาละหรือเทศะเช่นพื้นกระดานเป็นปัจจัยแก่การตั้งอยู่ของโตเป็นต้นในคำพีอภิธรรมแสดงความเป็นปัจจัยในอาการต่างๆไว้ถึง24แบบดูปัจฐานพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่40ถึง45ห